เรื่องอาชีวะนี้เห็นควรพูดสรุปไว้อีกแม้จะต้องกล่าวความซ้ำซ้อนกับข้างต้นว่าพระพุทธศาสนายอมรับและยืนยันความจำเป็นทางวัตถุโดยเฉพาะปัจจัยสี่ดังเช่นพุทธพจน์ที่ตรัสบ่อยว่าสัเพสัตาอาหารรัตติกาสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอย่างไรก็ดีความจาเป็นแท้จริงนั้นอยู่ภายในขอบเขต เท่าที่พอดีจะช่วยให้ชีวิตด้านกายดำรงอยู่ในภาวะดีงามที่ควรเป็นปกติของมันคือปลอดภัยปราศจากโทษของความขาดและความเกินไร้โรคไรไภัยอันตรายและเป็นไปได้สบายคือเกื้อกูลแก่การทากิจและการบาเพ็ญความดีงามด้านจิตและปัญญาที่สูงขึ้นไปคุณค่าและความสำคัญของวัตถุนี้ยังมีส่วนยืดยุนโดยสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางสังคม และองค์ประกอบภายในบุคคลคือปัญญาที่รู้เข้าใจเท่าทันคุณโทษและขอบเขตความสำคัญของวัตถุและความสามารถประสบปีติสุขที่ประนีตกว่าการเสพสวย อ, อามิสุขด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงไม่สนใจที่จะกะเกณว่าคนเราจะต้องมีวัตถุเท่ากันเพราะเกณฑ์นั้นไม่ใช่เครื่องวัดว่าจะทำให้ทุกคนเป็นสุขและมีชีวิตที่ดีงามได้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 ย่อมต้องการวัตถุเสรหรือมีชีวิตที่ขึ้นต่อความพรั่งพร้อมบนเปลอทางวัตถุมากกว่าบุคคลที่มีพัฒนาการทางจิตปัญญาสูงกว่าส่วนความตกต่ำแห่งจิตปัญญาที่เลยขอบเขตที่ยอมรับได้ออกไปก็คือความต้องการที่กลายเป็นความหลงไหลมัวเมาเอาแต่หาสิ่งปลนเปลอตนหมกมุ่นติดกรมจนลืมนึกถึงภาวะที่ความพรังพร้อมทางวัตถุเป็นพื้นฐาน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 ซึ่งนับเป็นความชั่วร้ายอีกรูปแบบหนึง่งอีกด้านหนึ่งเลยเถิดออกไปอีกเช่นเดียวกันก็คือความผิดหวังเบื่อหน่ายกามาวัตถุจนกลายเป็นเกลียดชังตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับโลกามิตรทั้งหลายแล้วหันมาจงใจบีบคั้นชีวิตของตนเองเป็นอยู่อย่างบีบรัดเข้มงวดวุ่นวายหรือหมกมุ่นอยู่กับวิธีการต่างๆที่จะจำขังพรากตัวบีบขั้นตน ให้พ้นจากอำนาจของวัตถุดูเผลนๆบางทีวิธีการนี้คล้ายกับความเป็นอยู่ง่ายอาศัยวัตถุแต่น้อยแต่ผิดพลาดที่ถือเอาการปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัววิธีที่จะทำให้หลุดพ้นหรือมุ่งบีบคั้นทรมานตัวโดยไม่ใช่ทำด้วยปัญญารู้เท่าทันที่มุ่งความเป็นอิสระซึ่งอาศัยวัตถุเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อเปิดโอกาสให้โล่งกว้างสาหรับชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา และบำเพ็ญกิจด้วยกรุณาการที่จะมีชีวิตเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อวัตถุเกินจําเป็นก็คือการไม่สยบไม่หมกมุ่นไม่หลงไหลมัวเมาซึ่งอาศัยความรู้เท่าทันเห็นโทษและข้อบกพร่องของวัตถุที่เรียกว่าอาทีินะทัทสาวีและมีปัญญาทําตัวให้เป็นอิสระได้ที่เรียกว่านิสรณปัญญาผู้มีปัญญา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 ยิ่งยึดติดเป็นทาตสของมันมีทุกพระมันก็ยิ่งเป็นความชั่วร้ายส้ำหนักเมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็กินใช้โดยเอาประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้ของมันต่อชีวิตใช้จ่ายซ้ำให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและแก่เพื่อนมนุษย์บำเพ็ญสังฆะวัตถุทั้งสี่แต่งปันกันไปบ้างช่วยสร้างเสริมสภาพสังคมชนิดที่ปิดกั้นการทาความชั่วเอื้ออานวยกับการทาความดี เกือกูลแก่การพัฒนาคุณภาพจิตและปัญญาโดยวิธีต่างๆบ้างร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมที่ดีงามและสนับสนุนคนที่ประดุงธรรมจันลงคุณภาพของมนุษย์บ้างเป็นต้นไม่ใช่การรวยเพื่อรวยยิ่งยิ่งขึ้นหรือรวยยิ่งขึ้นเพื่อเสเพื่อปนเปรื้อตัวได้มากขึ้นคารพหัดที่ขยันทำการงานหาเลี้ยงชีวิตและได้ทรัพย์มาโดยสุจริตกินใช้ทรัพย์อย่างเผื่อแผ่ รับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นและใจรับทำประโยชน์เป็นบุคคลที่ได้รับยกย่องอย่างสูงในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้มีชัยทั้งโลกนี้และโลกหน้ายิ่งมีปัญญาพอที่จะทำตนให้รอดพ้นเป็นอิสระได้ไม่ตกเป็นทาสของทรัพย์สมบัติและโลกามิริ์อื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของตนไม่ทาให้การได้สิ่งเหล่านั้นมากลายเป็นเพียงการได้ทุกข์มาทับถมตัว สามารถเป็นอยู่ด้วยจิตใจเบิกบานผ่องใสโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกามิตรถูกไม่เปื้อนมีทุก์เบาบางและถอนตัวออกจากทุก์ที่เกิดขึ้นแต่ละคราวได้ฉับไวก็ยิ่งนับว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเป็นอิสระชนเป็นเสรีบุคคลที่แท้จริงท่านเหล่านี้ถึงจะเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันหรือแม้อนาคามี